ข้อที่7มีความสุจริตและความกระตันยูความสุจริตเป็นเรื่องที่ทรงแสดงให้เห็นไม่ใช่เฉพาะความกระตันยูเห็นได้ชัดกับสมเด็จพระสิงนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงแสดงให้เห็นเลยถึงความกระตันยูความกระตันยูต่อแผ่นดินความกระตันยูต่อสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์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 ภาวะผวาหวังอยากเป็นนักดนตรีก็อยากอยากเป็นข้าราชการเติบใหญ่ก็อยากเป็นแต่เสร็จแล้วผมบังคับแก่จนได้อีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาแกลาออกมายื่นใบาลาออกผมบอกเออขอแสดงความยินดีด้วยแล้วลือจะประสบความสำเร็จในชีวิตสปีถัดมามีรถเบน์เข้ามาในสำนักงานผมมีคนคนหนึ่งเดินลงมาจากรถ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 ยังพอดีใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่ยังพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแค่ในชีวิตคนุกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคน ดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุจริงเทอในชีวิตคนที่คนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรูจักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุดเกินใคร